ท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสัมสี น, นาพงศ์สถานีนี้ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกส่วนนึงนะคะที่ถ่ายทอดรายการนี้แล้วก็ยังมีท่าอาจารย์สองรูปนะคะผ่านไปคือพระมาาช า, าวาโรุและกำลังจะมาพบกับเรานั่นคือพระภัยบูลอภิปุลโนนรศ ก, การไหมค่ะเรียนบอลค่ะดิฉันเคยได้ยินประสงฆ์ ที่ศัทธาพุท้ทวจนะนี่แหละอืก็จะพูดในทํานองเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเป็นสมณะสากยะปุตติยะหมายความว่าอะไรกันนะก็ถ้าสมมุติถามชื่อคนทั่วไปนะทานสมมุติถามว่าจารยมาชื่ออะไรเราก็ต้องบอกว่าเราชื่อภัยบูรณ์แล้วท่านเป็นอะไร อ, อฉันเป็นสมณะ อ, อสมณะแบบไหนก็ต้องสมณะแบบที่สักยะบุตร เ, เพราะนั่นก็คือเป็นสมณะสายสักยะ บุตร เ, เขาทํากันยังไงก็นี่ยโกนผมมีศีลแบบนี้นะมีข้อปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิอย่างนี้นะหวังผลอย่างนี้ในการปฏิบัตินะมีสวดสกิทานัคาราหันอย่างนี้นะนี่คือคลักษณะ ข, ของสวณะสายศักยะบุตรอืมอ่อสายไหน่ะคะเนี่ยศักยะีเอ่อสักยะนี่เป็นนามสกุลของพระพุทธเจ้าเอ้าหมาย<อ>พระพุทธเจ้าเนี่นามสกุลโคดมคแต่มีวงอยู่วงศากยะอ่าเชื่อมพระวงคือหมายถึงว่าสืบสายมาจากพระพุทธเจ้า <laughs> พระองค์นี้ใช่ใช่ พระชาพวกองค์นี้นามสกุลโคโดมใช่ไหมมีสายสักยะเป็นเชื้อสายสักย ะ, ะพิกษุทั้งหมดเนี่ยที่บวชอุทิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคุณรู้ตัวไ้เลยว่าคุณเป็นสมณะสายสั ก, ย ะ, กยะบุตรอ๋อฉันกำลังจะกล่าวเรียนถามด้านนี้เลยค่ะว่าพระพิกษุทุกรูปไหมที่สามารถจะอ้างตนเองอย่างนี้ได้ใช่ถ้าคุณมีศีลอย่างที่สมณะักยะบุตรก็มีกันนะค่ะ แล้วดิฉันอ่านคือดิฉันอยู่กับตำราเนี้ยคือบอกว่าเราคือสมณะสากยะปุติยะบุตรของสมณะในสากยะตระกูลผู้สืบสารศาสนามิให้สูญเกิดแต่โอสโปรดกุลบุตรด้วยพุทธวจนะอืหมายความว่าไงคะเกิดแต่โอสนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าพูดถึงเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายอนะนี่คือในยักษ์ของเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เกิดจากโอสของพระผู้มีพระภาคเกิดจากโอสเนี่ยหมายความว่า คือพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเข า, เายกย่องตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดจากอกของพระพรหมนะพวกกษัตริย์นี่เกิดจากมือพวกสูตรเวทเนี่เกิดจากเท้าเกิดจากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ ต, <อ>ตัวของเขานี่เกิดจากอกนะพระเจ้าก็เลยพูดบ้างว่ า, าสมณะของเราทั้งหมดเนี่ยเกิดจากปากของพระผู้มีพระภาคโอ้ตเนี่คือปากนะเข้าใจคะ่ะแต่แปล ว, ว่าอะไรอะ่ะท่คะเราก็มาจากคําสอนของพระเจ้าไง Oh. อ๋ออ่าวีรัจนะนี่แหละอืมซึ่งตรงนี้มันจะมาสอดคลองกันที่พระเจ้าบอกว่าอ่าประตูแห่งนิพพานเป็นมาตาเนี่ยเราได้เปิดแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโซดประสาทโซดประสาทคือประสาทหูนะค่ะอ่าสัตว์เหล่านั้นจงโปรงศรัทธาลงไปเถิดโปรงศรัทธาลงไปเถิดใช่เพราะเธอต้องฟังธรรมนะต้องใช้หูฟังตรมมะอืมค่ะสัตว์ใจที่มีหูท่านๆ่านคะงั้นคน หูหนวกขอประธานโทษในการในที่นี้หมายความว่าถ้าคนหูหนวกเนี่ยบวชไม่ได้งั้นหรอคะคนหูหนวกบวชไม่ได้ใช่อ่านไม่ได้หรอคะท่านคนหูหนวกอ่านสือได้นะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามของคนที่จะบวชห้ามหูหนวกเป็นพุทธวจะนะเป็นพระวินัยเลยคะ่ะใช่อหูหนวกตาบอดพวกนี้บวชไม่ได้เป็นกลากเกลื่อนพวกนี้บวชไม่ได้ อันนี้น่าสนใจมากนะคะก็<อ>คือบอกว่าพระสงค์เกิดแต่โอดโปรดกุลบุตรด้วยพุทธวจนะแล้วก็ท่านบอกว่าอะไรนะคะตรงเป็นบทเพียรชนะที่เกี่ยวว่าใช้หูเนะะี่ยค่ะอ๋อประตูแห่งนิพพานอันเป็นธมดาเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดใครมีหูคือไม่หมายถึงแต่ประสงค์ คือผู้ที่สามารถฟังธรรมได้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ่ากท็ทีนี้การฟังเนี่ยคือคือถ้าเราพูดถึง เ, <c oughs> เรื่องของอิทธิฤทธิเนี่ยนะคุณยมติยวค่ะคือบางทีเราสามารถฟังสิ่งเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้หูอ่ะคือการสื่อสารทั้งเจ็ดไงถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถฟังธรรมะโดยลักษณะนี้ได้จจะไม่ต้องใช้หูก็ได้ค่ะแต่ว่าการบวชเท่านั้นเองที่คนที่จะบวชเนี่ยคุณต้อง มาห้ามคนหูหนวกบวชมากเถอะอ๋อค่ะคือหมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นผู้หลุดพ้นได้ด้วยการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ในด้วยอายตนะอื่นใช่ใช่นะคะอืแต่ว่าบวชไม่ได้บวชไม่ได้เท่านั้นเองค่ะจริงๆก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าบวชแล้วไม่สามารถที่จะพาตนหลุดพ้นได้ก็อาจจะสู้ไม่ต้องบวชแล้วหลุดพ้นได้อืบังฟังเขาท่าดี ก็ต้องบุ้ให้กำกังใจท่านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนพอมีใครอาจจะทำภาษามือส่งภาษาอย่างนี้นะคะก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะมาถึงคำถามต่อไปดีกว่าท่านไปบู์ค่ะที่ฉันเองเนี่ยได้ยินคำว่าเกิดดับเกิดดับในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยทั่วไปหมดเลยบ่อยมากทีเดียวที่พระเจ้าเลือกพูดเรื่องพวกนี้ใช่ นะคะดูเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านก็ต้องการให้เรารู้ว่ามีเกิดแล้วมีดับอืมดยฉันเขา้าใจอย่างนั้นเลยนะคะถูกต้องถูกต้องอยากกลับเรียนถามท่านว่าความหมายของการเกิดดับที่ท่านพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยเอาเฉพาะการเกิดก่อนอเหมือนกับการเกิดของคนการเกิดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ หรือต่างกันอย่างไรคะอ๋ อ, า ก, อ, าอการเกิดนะเอาพุทธวจ น, นะที่พูดถึงเรื่องนี้ที่เราควรจะได้ฟังบ่อยๆนะก็ ค, ะคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาค่ะอันนี้ก็พูดถึงการเกิดเพราะฉะนั้นการเกิดคืออะไรคุณยมติว๋วถามใชม่การเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ในเรื่องของอริยสัจสี ว่าการเกิดนี่คือการกําเนิดการก้าวลงสู่คันการที่สัตว์ได้อายตนะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านี้เรียกว่าการเกิด<ะ>การเกิดเนี่ยยังรวมถึงการที่สัตว์เนี่ยไปได้อายตนะอย่างบางสัตว์บางประเภทเนี่ยไม่ได้ผ่านคันในเช่นเทวดาพวกพรหมอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ อ, อุบัติขึ้นมาเลยการทีนะ่เขาอุบัติขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยก็คือการการเกิดของเขา สัตว์บางประเภทอยู่เป็นไข่ก็การก้าวลงตรงนั้นก็เป็นการอุบัติของเขาก็เป็นการเกิดของเขาค่ะทีนี้ครอบคลุมถึงคำว่าเกิดดับแล้วหรือยังคะในคำอธิบายที่ท่านยกพุทธว จ, จนะมานั้นออนี่คื อ, คอถึ ง, ง ก, การเกิดเฉยๆความดับนี่คือความตายพระเจ้าพูดถึงการที่จุตินะความเคลื่อน การแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทํากาละ่ะขอขอพระท่านโทษคะ่ะที่ฉันกำลังจะถามอยู่ในเรื่องเกิดนั่นแหละนะคะ uh huh. ยังไม่ข้ามไปดับคือเหมือนกับว่าท่านได้อธิบายเหมือนกับเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็น ต, ตนนะคะเท่าที่ฉันฟังเนี่ยนะคะ uh, แต่ว่าจะเป็นตัวตนรูปร่างอย่างไรเกิดในแบบหนึง่งฟังดูก็น่าจะพูดถึงการเกิดขึ้นของคนใช่ไหมคะแต่เกิดอีกแบบหนึง่งก็คือเกิดอุบัติขึ้นเองอย่าง เขาจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะอย่างเช่นโพรมอย่างเช่นอะไรที่ท่านยกตัวอย่างอะคะเอ่าใช่เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เป็นพรมค่ะทีนี้ที่ดิฉันหมายถึงนี่ก็คือเหมือนกับเวลาท่านบอกว่านั่งสมาธิสมมติไงนะคะนั่งสมาธิให้เห็นการเกิดดับเนี่ยค่ะที่ั่นสงสัยว่าเกิดเนี่ยมีความเหมือนมีความต่างหรือว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไรที่จะทําให้เราเข้าใจอันนี้คือความปรากฏแห่งขันทั้งหลาย ผู้เชา่าใช้คําว่าปรากฏก็ได้ใช้คําว่าอุบัติก็ได้ตรันนี้คือเกิดอันนี้นะคือเกิดในจิตถูกไหมใ ช, นะใช่ใช่สมมุติว่าความคิดนี้อุบัติขึ้นในจิตของเราอานะใช้คําว่าอุบัติ<ม>คือคือคปรากฏของสัญญาขึ้นแล้วในจิต ข, ของเราใช่ไหมทีนี้ดับเนี่ยเป็นไงผู้เชา่าใช้คําว่านิโรดนิโรดคือ ด, ดับไปนะก็คือความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายความสิ้นไปอย่างนี้ก็ดับหมดดังนั้น ถ้าเกิดดับที่เราได้ยินในคำสอนของพระศาษษษสดาแล้วเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของการหลุดพ้นเลยจะหมายถึงการเกิดดับในจิตการเกิดในจิตคือการปรากฏขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ถูกต้องนะะการปรากฏแล้วก็การหายไปของขันทั้งหลายรวมไปถึงวิญ ญ, ญาณด้วยถูกไหใช่ะะใช่อ๋อถ้าถ้าปรากฏขึ้นมาก็คือเกิดคือเกิดแล้ว ถ้าหายไปก็คือดับแล้วในที่นี้ก็คือเป็นคนละเกิดกับตอนแรกที่ท่านไปบวนอธิบายหรือมีส่วนไหนทับซ้อนกันไหมคะเออก็ใช้คำเดียวกันแต่ความหมายมันกว้างไงคำเกิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยการการเข้าใจความหมาย .definition เนี่ยจำเป็นไหมคะในการศึกษาธรรมโอ้แน่นอนพระพุทธเจ้ายังพูดถึงว่าการที่พระองค์เนี่ยมาบัญญัติแสดงบอกสอน พวกเนี้ยเพื่อให้เข้าใจง่ายถึงสิ่งที่อยู่ในสารวัตนี้สมมุติถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งขันหเนี่ยเอาเป็นห้าอย่างเนี่ยแบ่งเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะมีความยากในการอธิบายธรรม ะ, ะแต่สมมติถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไอ้ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดสิเบเการไว้เป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีความยากในการเข้าใจธรรมะมันต้องบัญญัติไว้เลยว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรบัญญัติเอาไวห้หมด definition ตรงนี้เลยท่านพิบูลคะแล้วพูดถึงว่า เรื่องของการเกิดดับที่พระพุทธเจ้าอธิบายส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะต้องอยู่ในระหว่างที่เราปฏิบัติสมาธิใช่ไหมค ะ, ะได้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถูกไหมดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอย่างเงี้ยเพลนถ้าจุดที่ว่าร่างกายมันแตกนั่นก็คือตายอย่างที่เราเข้าใจกันไปหลุมศพนะแต่ถ้าในจังหวะนั้นคลอดออกมาจากคลันหรือว่ามีสัตว์ก้าวลงใน ปฏิชนทีในคันอันนั้นก็คือจังหวะที่เหมือนเกิดอย่างที่เราเข้าใจกันแต่ถ้าจังหวะที่ระหว่างช่วงนั้นระหว่างช่วงที่ก่อนคลอดระหว่างช่วงที่ก่อนตายหรือหลังคลอดมาแล้วเนี่ยช่วงนี้จิตเกิดดำหมดเลยหมดเลยสมมุติตั้งแต่อายุเราศูนย์ปนะจนถึงเราอายุร้อยปีสมมติคนตายร้อยปีเนี่ยช่วงระหว่างอายุ0นถึงร0อยเนี่ยจิตกุญโ ค, คเกิดดับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตอนศูนย์ปีเนี่ยกายมันเพิ่งได้มาตอนร้อยปีเนี่ยกายมันเพิ่งแตกไป แต่ระหว่างนี้จิตเราเกิดดับอยู่แล้วก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วการเกิดดับนั้นมันมีสองแบบถูกไหมคะถ้ากับมนุษย์เกิดเกิดดับอย่างแรกก็คือเกิดดับไปพร้อมกับร่างกายาของเราใช่กับเกิดดับอย่างที่สองไ อ, ไอ้นั่นเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวที่เกิดของร่างกายถูกไหมคะถูกถถแต่ถ้าที่ท่านพูดว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตถูกไหมคะใช่อืม แล้วอย่างเอาแค่แค่เรายังไม่ต้องพูดถึงกายทั้งก้อนนะหรือว่าเอาจิตแค่ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงเซลล์เซลล์หนึ่งก็ได้ในร่างกายเราและเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเซลล์หนึ่งนีอายุประมาณสองปีค่ามันแกต่ตายเกิดแกต่ตายเนี่ยมันสองปีนะค่ะถ้าอยู่บนผิวหนังนี่ก็จะกลายเป็นขี้ใครไปในที่สุดถูกไหมคะเกิดใหม่ขึ้นมาท่านคะทีนี้ดีฉันจะให้ เข้าสู่การเข้าใจเรื่องเกิดดับทางจิตให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่าเกิดดับทางจิตท่านบอกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยใช่ในยามที่เรานั่งสมาธิไหมคะคนที่จะเห็นเกิดหรือว่าความเกิดขึ้นหรือความดับไปของจิตของเราอะน ะ, ะจิตคุณจะต้องมีสมาธินะคุณหนึ่งเห็นทีนี้สมมติท่านยกตัวอย่างได้ไหคะเผอ ดิฉนให้อยู่ติใหญ่แล้เวลาที่ท่านทั้งหลายต้องการจะเห็นการเกิดดับในจิตเนี่ยเอ อ, อย่างเช่นว่าสมมติเอาเอาที่คนไม่เห็นก่อนค่ะคนไม่เห็นอย่างเช่นคุณไปช็อปปิง้งรองเท้าสวยมากรุ่นใหม่ล่าสุดสีแบบที่เขานิยมกันฉันก็นึกเลยว่าฉันจะใส่อย่างนี้ใส่ไปงานนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ใส่กับชุดนี้ขัดมันอย่างงี้ล้างมันอย่างนี้จะเอาให้คนนี้ยืมฉันจะเก็บอย่างนี้เก็บที่นี่นาะยคุณเพลินไปละคุณไม่เห็นเกิดดับเข้าใจไหม ทีนี้คนเห็นทํำยังไงเอเขาก็จะเห็นว่าจิตคุณเป็นสมาธิใช่ไหมจิตคุณเป็นสมาธิอยู่แล้วพอเห็นรองเท้าเนี่ยปุ๊บมันจะเพลินไปว่าโอ๊ยฉันจะไปใส่งานนี้ฉันชอบนะ ค, คนที่เขาเห็นกระดับปุ๊บเขาจะดึงกลับเข้าลมหายใจเอาไหมคนที่เขาจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตเขาจะระลึกถึงลมหายใจก่อนว๊บระลึกถึงลมหายใจความคิดนั้นดับไปล้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไปอีกวุ๊ยเดี๋ยวจะไปใส่กับงา น, านนั้นจะใส่ไปงานนี้ปุ๊บเกิดใหม่แล้วนะ ความคิดที่ไม่ดีเกิดใหม่แล้วนะวับเขาระลึกถึงลหมหายใจวับความคิดนั้นตับไปแล้วลักษณะนี้เท่า น, นั้นเองนะคะดังนั้นถ้าคนที่เคยฝึกปฏิบัติแล้วจะรู้เลยว่าที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนะี่ยแต่ว่าเรารู้ว่าความคิดนี้ใหม่ อ, อีกละความคิดนี้มาอีกละบางทีหายไปไม่ค่อยเห็นนะคะท่านใช่ใชก็นั่นคือท่านเห็นการเกิดดับแล้วถูกต้องอท่านฟังเห็นไหมคะ บาคนกโอ้ยดีใจจังเลยเห็นมาตลอดเลยแต่ไม่รู้นั่เนี่ยท่านเทพบุญไม่บอกไม่รู้เลยอืมเห็นเกิดดับอย่างนี้มันมันก็อดีมากนะค่ ะ, ะคืออย่างน้อยเราไม่ได้ลุ่มหลงไหลไปตามตลอดเวลาอ่าทีนี้มันก็จะมีขั้นที่สูงขึ้นไปแหละว่าคุณจะปล่อยวางได้ไงคือเห็นเกิดดับแล้วไม่เห็นเกิดอีกอย่างเงี้ยค่ะท่านเทพบุญคะทีนี้ก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านได้พูดถึงพุทธวจนะที่จะทำให้คน ได้เกิดความนึกซึ้งในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเกิดดับอีกสักครั้งหนึ่งในการทิ้งท้ายค่ะผู้เช่าพูดถึงจะพูดถึงสองอย่างก็แล้วกันที่พูดเมื่อต้นรายการว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดามีนนะะเป็นบทที่ให้พระสาริบุตรเนี่ยเป็นพระอรหนเอ้ยขอไปเป็นสวโสดาบันได้เลยค่ะแล้วก็ให้ท่านไปลองพิสูจน์ดูด้วยการที่ เกิดดับนี้ท่านไปบูนบอกว่าพุ้ที่องคตว่าเป็นการเกิดดับของขันห้าในจิตใช่ไหมคะใก็ลองไปดูว่าเรื่องรูปเรื่องเวิทนาพอใจไม่ชอบไม่พอใจสุขทุกเรื่องอ่าการจําได้หมายรู้การปรุงแต่งทั้งหลายนะคะว่าเกิดแล้วอยู่ตลอดไปหรือไม่อหรือดับไปตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาดีไหมคะลองดูได้นะคะค่ะเนี่ยค่ะก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ ท่านทั้งหลายเป็นการตอบย้ำกันถึงแม้ว่าเราจะพูดไปแล้วดิวฉันว่ามันก็น่าที่จะยังมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เคยฟังนะคะวันนี้นมาสการขอบพระคุณท่านเพบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเิี่ า, าค่ะท่านฟังค่ะรายการสันสนิษฐานจะมีทั้งในส่วนที่จะทำให้ท่านกระจางแจ้งในวิธีแห่งการปฏิบัติมากขึ้นกับในส่วนที่ จะได้เข้าใจถึงธรรมะอื่นๆที่จะประกอบกับการดำเนินชีวิตประจาวันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการหลุดพ้นได้ด้วยนะคะเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธเจ้าโดยคาสอนของพระพุทธองค์ในปีที่สำคัญคือปีแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นปีที่ส6งพันปี2555หรอยนี้ ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มอบให้เป็นสิริมงคลกับทุกทุกท่านในรายการสรมสีนิสนทนาหนังสือพุททวจนะนะคะโทรมาที่0 2 2 6 9 0 0 0 6 p i l t a m a c o m 1 0 6ท่านส่งคำถามไปที่นั่นถึงท่านเพบู์นะคะวันนี้ดิฉันสรมสี น, สน้นาพงก็ขอขอบคุณสถานวิทยุครอบครัวข่า ว, า ว, าวที่ได้ช่วยทำให้คำสอนของภระสาสดานนั้นเผยแพร่ออกไป พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพู้ท่วสวัสดีคะ่ะ